ยาซีเรียตเรื่องตัวอุบาทในอดีตกาลนานแสนนานได้มีพระราชาองค์หนึ่ง เสด็จตรวจความทุกข์สุขของราษฎรไปตามสถานที่ต่างๆในขณะที่เสด็จไปตามถนนต่างๆในพระนคร น, นั้นพระองค์ทรงทอดพระเนตรเห็นบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านใหญ่โตน่าอยู่แต่ว่าไม่มีคนอยู่ปล่อยให้รกรุมรังเป็นบ้านร้างจึงมีพระราชดดำรัสตรถามตาแก่คนหนึ่งว่า นี่ลงบ้านหลังนี้ทำไมไม่มีคนอยู่ละ่ะบ้านหลังนี้คนอยู่ไม่ได้พระเจ้าค่ะทำไมจึงอยู่ไม่ได้ตัวอุบาทมันลงพระเจ้าค่ะตัวอุบาทมันเป็นยังไงหรือลุงกระหมอ่อมไม่เคยเห็นพระเจ้าค่ะพระราชาเสด็จกลับพระราชวางัง แล้วทรงมีความสงสัยในพระราชหารืไทยว่าตัวอุบาทมันเป็นอย่างไรทำไมมันจึงมีฤทธเดชนะถ้าทราบตัวมันแล้วจะได้ทำการปราบมันเสียให้ราบคาบประชาชนพลเมืองจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุขเมื่อไม่มีทางที่จะทรงทราบได้จึงรับสั่งให้มีการประชุมหมูเ่เสนาอํามาท์ทั้งหลายณนะท้องพระโรงหลวง เมื่อพวกเสนาข้าราชการมาประชุมพร้อมเพรียงกันแล้วพระองค์จึงเสด็จออกมาและทรงตรัสถามว่าท่านมาหาเสนาบดีท่านเคยพบเห็นตัวอุบาทบ้างหรือไม่ว่าหน้าตามันเป็นอย่างไรไม่เคยเห็นพระเจ้าคะเคยได้ยินแต่ชื่อพระราชารับสั่งถามเสนาข้าราชการทั้งหลาย จนหมดในที่ประชุมนั้นแต่ก็ไม่มีใครเคยพบเห็นตัวอุบาทสักคนมีแต่เคยได้ยินชื่อเท่านั้นจึงทรงพระราชาดำริว่าจะต้องหาทางรู้จักเจ้าตัวอุบาทนี้ให้ได้แล้วทรงรับสั่งบังคับแก่เสนาผู้หนึ่งว่าเจ้าโจงไปเที่ยวหาเจ้าตัวอุบาท มาให้ได้ภายในเจ็ดวันมินะนั้นเจ้าจะต้องถูกประหารเสนานั้นเมื่อถูกพระราชาตรัสสั่งบังคับเช่นนั้นก็กลัวแต่มรณะภยัยจึงเที่ยวแสวงหาไปตามตำบลต่างๆเจอใครก็ถามว่าเคยเห็นตัวอุบาทบ้างไหมก็ไม่ปรากฏว่าจะมีใครเคยพบเห็นเลย มีแต่บอกว่าเคยได้ยินแต่ชื่อเท่านั้นเวลาล่วงไปหกวันแล้วยังเหลือเวลาอีกวันเดียวเท่านั้นก็จะครบกำหนดจึงคิดว่าเราเห็นทีจะต้องถูกประหารเป็นแน่เพราะถามใครๆก็ไม่มีใครเคยพบเห็นเจ้าตัวอุบาทเลยสักคนพื้นราวกลับไปก็ต้องตายเปล่าอือยากคนนั้นเลย เราหนีไปตายอาดาบหน้าดีกว่าคิดได้ดังนี้จึงหนีตเตลิดเข้าป่าไปเดินเข้าไปในป่าพบพระฤาษีเข้าองค์หนึ่งพระฤาษีเห็นมีคนเดินเข้ามาหาก็แปลกใจจึงถามว่าเจ้ามีธุระอะไรจึงบุป่ามาจนถึงที่นี่พระคุณเจ้าขอรับ กระผมมีเรื่องสำคัญมากถึงกับต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันเลยทีเดียวคือว่าพระราชาทรงมีพระประสงค์ที่จะทอดพระเนตรตัวอุบาทจึงมีรับสั่งให้กระผมเที่ยวหาจับตัวอุบาทไปถวายให้ทอดพระเนตรภายในเจ็วันให้จงได้มิฉะนั้นจะต้องรับพระอาญาถึงชีวิตนี่กระผมก็เที่ยวแสวงหามาหกวันแล้ว ก็ยังหาไม่ได้เลยรู้สึกหมดหวังจึงคิดจะขอมาตายในป่าขอรับเท่านั้นเองหรือท่านเสนาเรื่องเพียงเท่านี้ไม่ต้องตกใจตัวอุบาทที่นี่มีท่านจงไปตัดกระบอกไม้ไผ่มาสิจะได้ใส่ตัวอุบาทไปถวายพระราชาเสนานั้นดีใจยิ่งนะัก รีบไปตัดไม้ไผ่มาให้พระฤาษีกระบอกนั้นยาวประมาณสองปล้องทะลุ ก, กลางเสียแล้วนํามามอมให้พระฤาษีครั้นแล้วพระฤาษีก็นํากระบอกไม้ไผ่เข้าไปในอาสมสักครู่หนึ่งก็นํามามอมให้กับเสนาพร้อมกับสั่งกําชับว่าเอาหนีท่านเสนา กระบอกใส่ตัวอุบาทท่านเซนาอย่าไปเปิดดกูกลางทางไม่ได้เป็นอันขาดนะเพราะว่าเดี๋ยวตัวอุบาทมันจะหนีไปแล้วจะหาไม่ได้อีกและเมื่อน้ำทุนกล่าวถวายจงกราบทูลด้วยว่าต้องค่อยๆทอดพระเนตรลงไปใไนกระบอกหาบเทออกเป็นอันขาด ประเดียวมันจะหนีไปเสียก่อนเสนารับคําของพระฤาษีด้วยความดีใจรีบนำกระบอกใส่ตัวอุบาทเข้าเมืองแล้วนำขึ้นทูลกล้าวถวายแด่พระราชาท่ามกลางหมู่เสนาข้าราชการน้าท้องพระโรงหลวงบรรดาเสนาข้าราชการต่างก็พากันตื่นเต้น ที่จะได้เห็นตัวอุบาททุกทุกสายตาต่างก็จ้องมองมาที่กระบอกไม้ไผ่เป็นจุดเดียวกันเสนาได้กราบทูลว่าขอเดชะพระอาญาไม่พ้นกราบตัวอุบาทนี้หายากยิ่งนักพระเจ้าค่ะเวลาทอดพระเนตรต้องทอดพระเนตรลงไปในกระบอกห้ามเทออกเป็นอันขาดมิฉนั้นตัวอุบาทจะหนีไปโดยเร็ว ทันได้ทอดพระเนตรพระจุา้าเมื่อพระราชาทรงรับกระบอกนั้นมาแล้วจึงทรงค่อยๆเปิดจุกระบอกอย่างระมัดระวังแล้วทรงทอดพระเนตรลงไปในรูกระบอกก็รูกระบอกมันมืดเห็นบ้างไม่เห็นบ้างมองไม่ถนัดสักครู่ก็ทรงรับสั่งว่าเออตัวอุบาทนี่ มันเหมือนกบนะแล้วก็ทรงยื่นให้มหาเสนาบดีรับสั่งว่าอ้าท่านมหาเสนาบดีลองดูบ้างสิมหาเสนาบดีก็รับกระบอกนั้นมาจากพระหัตถ์ของพระราชาแล้วมองลงไปในรูกระบอกแล้วกราบทูลว่าไม่ใช่พระจุคาตัวเหมือนอึ่ง ในที่สุดระบอบอุบาทนั้นก็ได้ส่งต่อกันไปให้ดูกันจนทั่วในหมู่เสนาข้าราชการจนถึงชั้นผู้น้อยเมื่อต่างคนต่างดูก็เลยต่างความเห็นฝ่ายหนึ่งว่าเหมือนจริ้งจกอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าเหมือนจริงเล้นแล้วก็เลยเกิดการประทะคารมกันเพราะความเห็นต่างกันฉันว่าเหมือนจริงจก ฝ่ายหนึ่งว่าผมว่าเหมือนจริงเลยอีกฝ่ายหนึ่งแยง้งเฮ้ยเชื่อฉันถื่นน้าฉันดูดีแล้วฮึเชื่อผมถื่นหน้าผมก็ดูดีแล้วเหมือนกันเอ๊ะนี่ยังไงมาเถียงคนดูรู้แน่แล้วอูวะก็ดูแน่แล้วเหมือนกันนี่ยังจะมาว่ากันอีกพิลึกจริงเว้ยเมื่อต่างคนต่างก็ประชันคารมกัน จนเสียงอึ้งขึ้นหนึ่งไปทั่วท้องพระโรงไม่ทราบว่าใครผิดใครถูกในที่สุดบรรยากาศในท้องพระโรงก็ชักตึงเครียดเข้าทุกทีเสียงถกเถียงกันก็ชักจะดังขึ้นทุกขณะต่างคนต่างก็ไม่เกรงกลัวต่อพระอาญาหนักเข้าจะวางมวยต่อหน้าพระที่นั่งให้ได้ พระราชาทรงดําริว่าถ้าจะไม่ได้เรื่องสงสัยตัวอุบาทจะลงแล้วจึงทรงรับสั่งให้นํากระบอกอุบาทมาคืนแล้วตรัสว่าไม่ได้การแล้วคืนเก็บจดตัวอุบาทนี้ไว้ในบ้านเมืองมันจะทําให้ยุ่งกันใหญ่เพียงเท่านี้ก็พอดูแล้วรีบนํามันไปปล่อยเสียในป่าเถอะแต่ไหนจะนํามันไปปล่อยแล้ว ก็เทมันออกมาดูหน้าตาเสียก่อนเถอะแล้วพระราชาก็ทรงเทจะตัวอุบาทออกจากไม่ไัยสิ่งที่ทรงเทออกมาก็คือชานหมากท่านเห็นแล้วหรือยังว่าตัวอุบาทคืออะไรความจริงกระบอกไม่ไัยไม่ใช่ตัวอุบาทชานหมากก็ไม่ใช่ตัวอุบาท แล้วตัวอุบาทคืออะไรความดื้อรัน้นความไม่รู้แน่ชัดนั่นแหละตัวอุบาทความดื้อรั้นด้วยทิฏฐิมานะลงที่ไหนความร้าวฉานก็มีที่นั่นเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วมันไม่ใช่ตัวอุบาทแล้วจะเรียกว่าอะไรละ่ะถึงจะสมควรจริงไหม